จะแก้นิสัยช่างอ่อนไหวได้อย่างไรถามเป็นคนอ่อนไหวคิดมากและทำอะไรจับจดอยากทราบวิธีเปลี่ยนนิสัยทางความคิดของตัวเองตอบคนส่วนใหญ่ที่อ่อนไหวเพราะไม่มั่นคงกับความตั้งใจดีๆที่เป็นบุญเป็นกุศล เพราะฉะนั้นการแก้ลํำด้วยการตั้งใจอะไรดีๆอย่างมั่นคงเป็นการส่วนกระแสบุญเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความอบอุ่นและบุญเป็นสิ่งมีอำนาจดัดแปลงใจทำให้จิตมีคุณสมบัติที่ดีที่พร้อมจะเผชิญอุปสรรคและเรื่องยุ่งยากทั้งหลายเมื่อคิดจะเปลี่ยนแปลงนิสัยจึงควรเอาบุญมาเป็นตัวตั้ง แทนที่จะหาเทคนิคแบบโลกๆมาใช้ซึ่งอาจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างในแต่ละคนบุญในขอบเขตของพุทธศาสนาก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสติวิธีทำบุญแก้จิตที่อ่อนไหวคือหนึ่งให้ทานตั้งใจนแน่วแน่ว่าจะเป็นฝ่ายให้ เลือกเอาที่เห็นว่าทำได้ทุกวันและเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดเป็นไปได้จริงที่สุดเช่นเมื่อขับรถก็ตั้งใจจะเป็นฝ่ายให้ทางในจังหวะที่สามารถให้ได้อย่างปลอดภัยเสมอหรือเจอขอทานที่ไหนให้ห้าบาทหรือถ้าขัดเคืองใครอยู่ด้วยความไม่พอใจนิดๆหน่อยๆก็ถือเอาเป็นเป้าหมายของการฝึกอภัยทาน ตั้งใจว่าจะเป็นฝ่ายไม่ถือสาหาความสรุปคือเลือกเอาอะไรสักอย่างเป็นเป้าหมายของการให้เมื่อทำได้จริงอย่างต่อเนื่องแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดพอนานไปจะทำให้นึกเมตตาคนรอบข้างมากขึ้นใจเปิดกว้างมากขึ้นและให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้น อันนี้ต้องดูผลข้างเคียงในทางลบดีๆ ด, ด้วยนะครับถ้าตั้งองศามุมมองผิดไปนิดเดียวคือไปคิดให้ทานแบบหวังผลหวังว่าอะไรๆภายนอกจะดีตอบแทนเราทันใจก็อาจยิ่งทำให้สงสารตัวเองหนักขึ้นเพราะโลกมักไม่ตามใจเรามีเราเท่านั้นที่อยากตามใจตัวเองจริงๆ 2. ถือศีลตั้งใจแน่วแน่ว่าจะถือศีลให้ได้ถ้าไม่สามารถครบ5ห้าข้อก็ขอให้เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งที่ทำผิดเป็นประจำแต่ง่ายที่สุดที่เราจะรักษาเช่นเคยพูดปดเอาตัวรอดก็ตั้งใจงดเว้นเด็ดขาดเพียงคิดรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งให้ได้มั่นคงก็จะสร้างวินัยขึ้นมา ตัววินนยนั่นเองที่เป็นขันติบารมีทำให้จิตใจแกร่งขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่สามารถรักษาถ้ายิ่งรักษาได้ครบห้าข้อจิตจะสะอาดปลอดโปร่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าปกติถ้าคิดจะถือศีลในข้อที่ทำผิดเป็นประจำธรรมชาติจะส่งบททดสอบมาให้ทันที ละมักเป็นเรื่องชินชินอยู่ว่าต้องทำไม่ทำไม่ได้หากคุณฝืนสำเร็จตัดใจว่าเอาชีวิตใหม่เป็นเป้าหมายต้องบุกน้ำลุยไฟแค่ไหนไม่สนนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงนิสัยทางความคิดที่แท้จริงแต่ถ้ารักษาสีลห้าได้เป็นปกติอยู่แล้วเพื่อความเข้มข้นขึ้น หมายเอาความหนักแน่นทางจิตยิ่งยิ่งขึ้นก็อาจลองขยับไปถือศีลแปดดูยังไม่ต้องเคร่งครัดขนาดตั้งใจถือศีลแปดเต็มรูปแบบก็ได้เพียงคิดว่าในหนึ่งเดือนขอมีสักสี่วันที่เราจะทำตัวห่างจากการมคุณอันเป็นที่บันเทิงเช่นงดดูทีวีงดฟังเพลงไม่กินจุกกินจิบจนง่วงเอาเวลาไปอ่านหนังสือธรรมะ ทำอะไรก็ได้ให้จิตใจปลอดโปรง่งรู้สึกสะอาดปราศจากมลทินเท่าที่เห็นมาคนตั้งใจแล้วทำได้จะมีจิตที่หนักแน่นมั่นคงขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะยังทำสมาธิไม่ได้ดีก็มีร่องรอยบอกว่าฝุ่งซ่านน้อยลงแทบเป็นคนละคนภายในเวลาไม่กี่เดือน 3. เจริญสติอันนี้ยังไม่แนะนำถึงขั้นนั่งสมาธิหรือทำวิปัสสนาอะไรคือเอาจากความจริงที่คนเราอ่อนไหวง่ายและฟุ้งซ่านบ่อยนั้นก็เพราะขาดสติอยู่เสมอเสมอถ้าหากมีเครื่องเจริญสติได้ก็ยอมมีส่วนลดความอ่อนไหวลงอักโขเวลาเดินไปไหนมาไหน ให้สังเกตเล่นๆ เ, เสมอว่ามีความสะเทือนจากฝ่าเท้ากระทบขึ้นมาถึงยอดอกถ้าฝึกเดินให้สม่ำเสมอเห็นความสะเทือนอย่างคงเส้นคงวากระทั่งใจมีจังหวะคงที่ขึ้นมากลางอกก็จะสังเกตง่ายว่าเมื่อใดวูบไหวเมื่อใดหนักแน่นเมื่อใดหลุดจากสติไปเป็นฟุ้งซ่านวกวน ระหว่างวันทุกห้านาทีหรือสิบนาทีถ้านึกออกก็นึกถึงลมหายใจบ้างเพียงครั้งเดียวทุกห้านาทีเมื่อสะสมแล้วจะเป็นสติกองใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกันสำหรับคนที่มีพื้นจิตใจอ่อนไหวนั้นมักไม่ประสบความสำเร็จในการนั่งสมาธิเร็วนักจึงท้อง่ายและชวนให้เลิกกลางคัน แต่ถ้าอาศัยทานศีลมาช่วยประกอบกับการกำหนดสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนคุ้นโดยไม่หวังผลอะไรเลยก็อาจเห็นผลทันตาได้เหมือนกันคือไม่ต้องนั่งสมาธิก็มีสมาธิอยู่ในระหว่างวันมากขึ้นปลอดโปร่งมากขึ้นเพราะไม่คิดมากเหมือนเดิมรู้สึกนึกถึง และให้ความสำคัญกับจิตที่เป็นกุศลมากขึ้นครึ่งปีก็อาจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ครับ